มาจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยสมุดปากกาบางท่นกี่ค น, คนหกคนแ้วสมุดปากกามีวัดไปอเปล่าไปวัดไหนกันแล้วทำไมต้องมาไกลถึงที่นี่ ติดตาทางเฟซบุ๊กว่าตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่อาจจะหาวัดเงียบๆก็ได้นะวัดส่วนใหญ่อยู่ในบ้านในเมืองจะมีเสียงรอบข้างมีกิจกรรมต่างๆหาวัดที่ไม่มีกิจกรรมนี่ห า, รรหายากนะวัดที่ให้อยู่เฉยๆให้นั่งเฉยๆ ใ ห, ให้หยุดการกระทําทั้งปวงการกระทามันทาแล้วมันมีผลตามมาวิบากตามมาถ้าหยุดการกระทําได้ก็ไม่มีวิบากตามมาไม่มีพพชาติตามมาแต่ คนที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้หาหายากมีน้อยคนถึงแม้ว่าจะเป็นศาสนาของผู้รู้คือของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์แต่ผู้มาศึกษากลับไม่เข้าใจว่ามาศึกษาอะไรกัน มาทำอะไรกันก็กลับมาทำกันใหญ่กันโตมาสร้างวัดกันจ้างสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันไม่รู้สร้างไปทำไมสร้างให้นกพิราบอยู่โบสถ์เจดีย์หรือสุนัข ไปดูแถวาบวดเจียดีจะมีสุนัขเหยืคนนานๆจะใช้กันสักครั้งหนึ่งสิ่งที่เราควรจะมาสร้างกันก็คือสร้างพระภายในใจของเราสร้างใจของเราให้เป็นพระกันพระแปลว่าผู้ประเสริฐ ภาประเฐในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สี่สี่ระดับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระาอรหันต์อค์กเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐประเสริฐด้วยกายวาจาใจคือใจของท่านกายของท่านวาจาของท่านนั้นเป็นไปเพื่อ ความสงบเพื่อความสุขทั้งของตนเองและของผู้อื่นจะไม่มีการกระทาที่จะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและกับตนเองนี่แหละความประเสริฐอยู่ตรงนี้อยู่ที่การกระทาการกระทาที่ทำแล้วไม่เกิดโทษกับตนเองและผู้อื่นแต่เกิดประโยชน์ เกิดความสุขทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นอันนี้เป็นการกระทําของพระของผู้ประเสริฐถ้าทําแล้วเกิดโทษแก่ผู้อื่นไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่ประเสริฐเกิดโทษเกิดโทษกับตนเองการกระทําที่ เป็นประโยชน์นี้จะนําความสุขมาให้แก่ผู้กระทำํำนี่คือสิ่งที่เราควรสร้างกันพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาสร้างพระในใจกันไม่ต้องไปสร้างพระพุทธรูปกันมีในสมัยพระพุทธการมีพระรูปหนึ่งทําพระพุทธรูปมาถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่เรานะเราไม่ใช่พระพุทธรูปเราเป็นพระธรรมคำสอนของเราถ้าเราเราอยากจะมีเราเป็นเป็นที่บูชาขอให้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนแล้วจะมีพระพุทธเจ้า อยู่ในใจของเรานี่คือความสอนองค์ของพระพุทธเจ้าอยู่ที่คําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าตอนนี้จะสูญสลายไปหมดแล้วกลายเป็นพระธาตุไปแล้วแต่องค์แท้ๆของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้สลายไปอยู่ใน พระธรรมคำสอนนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมธรรมที่ให้เห็นก็คือธรรมของพระ อ, อริยเจ้าสี่ประการนี้เองพระ อ, อริยเจ้าคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระ อ, อนาคามีพออาระอรหันต ท่านมีดวงตาเห็นธรรมกันท่านจึงทำตนให้เป็นคนดีเป็นคนประเสริฐเพราะว่าเห็นพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าทำอะไรสอนอะไรท่านเหล่านั้นก็ทำตามพระพุทธเจ้า คืยท่านละความโลภความโกรธความหลงกันละความอยากต่างๆละกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหากันนี่คือพระพุทธเจ้าของพวกเราถ้าเราอยากจะพบกับพระพุทธเจ้าขอให้เราเข้าหาด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเรามากันวันนี้ เรามาศึกษามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัตินะตามพอเราปฏิบัติตามแล้วเราก็จะเห็นพบเห็นธรรมเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงนำเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่พวกเราแล้วเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้ากับพระธรรมนี้เป็นองค์เดียวกัน พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็สอนอย่างนั้นแล้วพอเราเห็นธรรมเราก็ได้เป็นพระขึ้นมาได้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นพระโสดาบันพระสะกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารเราต้องมาสร้างพระกันด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติธรรมกัน อันนี้เป็นพระที่พทธเจ้าต้องการให้พวกเราสร้างกันองค์ไม่เคยสอนให้ใช่สร้างพระพุทธรูปแม้แต่คำเดียวมีคนไปบอกเอาพระพุทธรูปไปถวายท่านก็บอกว่านี่ไม่ใช่เราถ้าอยากจะเห็นตัวเราเจอตัวเราให้ติดตามคำสอนของเราให้ศึกษาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำสอน แล้วคำสอนนี้จะพาให้ไปพบกับตัวพระพุทธเจ้าแลาจะได้พบกับประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประโยชน์ที่พพุทธเจ้าได้ทรงรับก็คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดความหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้จากการ ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นคนศึกษาค้นคว้าหาพระธรรมด้วยตนเองหาทางที่พาไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายอพอได้ทรงพบทางสู่การหลุดพ้นแล้วไ ด, ได้หลุดพ้นแล้วด้วยการเดินไปบุญทางนี้ท่านก็นำเอาทางนี้มาสั่งสอนพวกเรา ถ้าพวกเราเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงได้ดำเดนินเดี๋ยวเราก็จะไปพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเหมือนคนที่เดินทางไปก่อนเราพระพุทธเจ้าตอนนี้ไปถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้เราอยู่ที่แถวชนบุรีถ้าเราขับรถไปบนถนนสุขุมวิทไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปถึงกรุงเทพ พอไปถึงกรุงเทพเราก็จะไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปรอพวกเราอยู่ที่นั่นะ้าหลานตัสสาวกที่เดินทางไปก่อนหน้านี้เขาก็ไปถึงกรุงเทพกันได้ไปเจอพระพุทธเจ้ากันจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าไปรอพวกเราอยู่นี้เรียกว่านิพพานอะนิพพานอานิพพ า, า, า, านนี้ไม่สูญนะแต่ท่านบอก แต่คนมักจะแปลว่านิพพานศูนย์นิบบานังปรมังศูนย์ยังความหมายที่แท้จริงของคําว่าศูนย์นี่คือศูนย์จากความทุกข์ทั้งปวงที่นิพพานนี้ไม่มีความทุกข์มีแต่ปรมังสุขขงังใช่ไหมนิบบานังปรมังสุขขงังนิบบานังปรมังศูนย์ยังศูนย์จากความทุกข์ไม่ใช่ศูนย์นิพพานจะไปศูนย์ได้ไง นิพพานสูงแล้วมันจะเป็นบรมสุขได้อย่างไรความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่นิพพานแล้วนิพพานมันจะสูงได้องที่มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็เพราะว่ามันไม่มีความทุกข์นั่นเองมันถึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่พวกเรามีกันนี้ไม่ถือว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอ สุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็หาความสุขกันใหม่พอได้ความสุขแปบเดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาใหม่นี่คือความสุขที่พวกเรามีกันอยู่พวกที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหาความสุขอย่างไรก็ไม่หนีหนีไม่พ้นความทุกข์ต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอตอนนี้พวกเราอาจจะมีความสุขกัน แต่รับรองได้ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีความทุกข์ตามมาเดี๋ยวก็ต้องมีความแก่ตามมามีความเจ็บตามมามีความตายตามมาต่อให้สุกระดับไหนก็ตามสุกระดับมหาจากาักรพรรดิสุกระดับมหากษัตริย์สุกระดับประธานาธิบดีสุกระดับนายกรัฐมนตรีสุกระดับมหาเศรษฐีเดี๋ยวก็ต้องเจอทุกข์กันก็ถึงไม่เรียกว่าสุข เป็นบัลลมะสุขเขาเรียกว่าบัลลมะทุกมากกว่าเพราะเวลามันเจอความทุกข์นี่มันทุกข์จริงๆแต่ให้เป็นใครก็ตามเป็นมหาเศรษฐีมหาจักรพรรดิพอเจอความทุกข์นี่มันทุกข์เหมือนกันทุกแบบไม่มีใครอยากจะเจอกันแต่ก็ต้องเจอกัน เพราะเมื่อมีสังขารร่างกายนี้แล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่สุขแบบพระนิพพานนี้มันไม่เจอทุกแบบนี้เพราะสุขเพราะพระนิพพานนี้ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองปรมังสูญยังปราศจากการเกิดแก่เจ็บตายปราศจากความทุกข์ต่างๆปราศจากต้นเหตุที่นำไปสู่ความเกิดแก่เจ็บตาย ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้จิตใจของพวกเราไม่เป็นนิพพานกันเป็นวัตจักจ ก, กันวัตจักรก็คือหมุนไปกับการเกิดแก่เจ็บตายตามเกิดไปตามภพต่างๆตามตามวิบากกรรมที่ทําไว้ตามบุญตามกรรม ที่ทำกันไว้ก็เลยหมุนไปตามสวรรค์ว่างหมุนไปทางอบายบ้างไปตามบาปบุญที่ทํากันแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ไปทางนี้ท่านไปอีกทางหนึ่งท่านไปทางสู่พระนิพพานซี่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครค้นพบได้ด้วยตนเอง มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มีความสามารถพอพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนตาดีแต่คนอื่นนี่เหมือนคนตาบอดคนตาบอดนี่ให้ให้ให้เดินไปที่ตรงนู้นบอกเขาว่าไปตรงนู้นเขาก็เดินไปไม่ได้เขาไม่รู้จะเดินไปยังไงเดินไปเดี๋ยวก็ชนต้นไม้เดี๋ยวก็ชนหิน แต่คนที่มีตาเนี้เขาเห็นออกเขาเห็นมีทางเขาก็เดินไปตามทางได้คนที่มีตาอย่างพระพุทธเจ้านี้มีหนึ่งในแสนล้านคนนุ่งนานจะมีคนตาดีอย่างพุทธเจ้าที่สามารถมาเห็นทางไปสู่พระนิพพานกันทางไปสู่การสิ้นสุดการปราศจากความทุกข์ปราศจาก การเกิดแก่เจ็บตายปราศ จ, จากเหตุที่ทำให้ไปเกิดแก่เจ็บตายกันท่านเรียกเรียกว่าศูนย์อย่างคือไม่มีไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายในจิตดวงนี้ไม่มีกิเลสตัณหาในจิตดวงนี้ไม่มีความทุกข์อยู่ในจิตดวงนี้จุดดวงนี้มีแต่บำลมสุขบลามังสุขขัง เนี่ยคือความหมายของคําพูดที่ว่านิบานังประมังสุญญงนิบานังประมังสุขขังแต่คนตาบอดก็ไปแปลว่านิพานศูนย์ะพอไปถึงนิพานก็ศูญเลยหายไปก็เลยไม่มีใครกล้าไปนิพานกันเหมือนไปไปถึงกรุงเทพก็ศูญนี่อยากจะไปกันไหมไม่ไปนะไม่ศูญหรอกไปถึงกรุงเทพก็ไปเที่ยวเลยกรุงเทพ คำว่ากรุงเทพก็เมืองของเทวดาแล้วกรุงเทพมีสวรรค์ต่างๆชนิดต่างๆรอเราอยู่เนี่ยคนจากทั่วสารธิตในเมืองไทยนี้ไปกรุงเทพกันทั้งนั้นเพราะเขารู้ว่าไปแล้วไม่สูญแต่นิพานนี้ไม่กล้าไปกันกลัวจะสูญกลัวกิเลสจะสูญกลัวเดี๋ยวไม่ได้กินกาแฟกันกลัวเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวกัน กลัวเด๋ยวไม่ได้ดูหนังฟังเพลงกันกลัวเดี๋ยวจะไม่มีแฟนกันเนี่ยกลัวแบบนี้คิดว่าศูนย์แบบนี้เลยไม่อยากจะไปกันแต่การได้เที่ยวการได้ดูหนังดูละครการมีแฟนนี่มันเป็นของชั่วคราวพอเวลาไม่มีขึ้นมาเป็นยังไงร้องหม่มร้องไห้กันมไหมเวลาไม่ได้เที่ยวต้องอยู่บ้านนี่รู้สึกเหงาไหม ว้าเหว่ไหมเวลาอยู่คนเดียวไม่มีแฟนนี่เป็นยังไงนี่แหละคือความทุกข์ที่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันเพราะพวกเราเหมือนคนตาบอดพระพุทธเจ้านี้เป็นคนตาดีเห็นว่าการมีแฟนนี่เป็นทุกข์เห็นว่าการไปเที่ยวนี่เป็นทุกข์เห็นว่าการไปดูหนังฟังเพลงนี่เป็นทุกข์ ทุกเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวมันจะต้องมีวันหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะไปเที่ยวได้ไม่สามารถมีอยู่กับแฟนได้ไม่สามารถดูหนังฟังเพลงได้เด่มกาแฟเดืมสุราลื่นเดือดเครื่องดื่มที่เราโปรดปรานได้เพราะถึงวันนั้นมันถึงจะเห็นว่าอ๋มันทุกข์เล้วเกิน พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความสุขที่พวกเรากาลังหากันอยู่นี้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงเก่งรดต่างๆนี่เป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวมันไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวต้องมีการพัดพากจากกัน พอเวลาหมดหรืวเวลาพัดภาคจากกันก็ทุกเวลากาแฟหมดนี่ทำไงอยู่เฉยๆได้ไหมก็ต้องไปหาซื้อกาแฟากันถ้าไม่มีเงินซื้อก็ลำบากก็ซื้อไม่ได้หรือถ้าไปมีเงินแต่ร้านเขาไม่มีขายก็ต้องดื่มน้าเปล่าเดือดน้าเปล่าก็ไม่อร่อย แต่ถ้าเคยดื่มน้ําเปล่าไม่เคยดื่มกาแฟก็ไม่เดือดร้อนเดือมน้ําเปล่านี้ก็อยู่ได้ร่างกายนี้ต้องการน้ําดื่มปรับน้ํเปาเปล่าไม่ต้องลดไม่ต้องการลดหรือกลิ่นของกาแฟผู้ที่ต้องการลดกลิ่นของกาแฟก็คือกิเลสกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจเรานี่แหละตัวนี่แหละที่เราต้องฆ่ามัน ตัวที่อยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นของกาแฟตัวที่อยากจะดูหนังฟังเพลงตัวที่อยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสถานบันเทิงต่างๆนี่เกิดตัวนี้ต้องฆ่ามันให้ได้ถ้าฆ่ากิเลสได้ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสก็จะหายไปเพราะถ้าไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีกาแฟดืม่มก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีหนังดูก็เดือดร้อนไม่มีแฟนก็ไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวได้อยู่ยังมีความสุขสุขกว่าตอนที่มีแฟนสุขกว่าตอนที่ได้ทำอะไรตามความอยากตงแ ต, แต่ต้องข่ามันให้ได้เพราะถ้าตอนที่มันยังไม่ตายนี้มันจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจ เวลามันอยากอะไรนี่โหมันแสนจะทรมานใจต้องข่ามันคือปล่อยให้มันอยากไปจนกระทั่งมันหมดแรงอย่าไปทำตามความอยากถ้ามันหมดแรงแล้วเดี๋ยวมันก็ตายพอมันตายแล้วใจก็จะสุขใจก็จะสงบขึ้นมาแต่ตอนที่มันยังไม่ตายตอนที่มันดิ้นนี่โหมันทำให้ใจเราสั่นสะเทือนไปหมดเลย พอไม่หมดกำลังมันตายบ้างนี่ใจก็นิ่งสงบเย็นสบายมีความสุขขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงค้นพบเครื่องมือที่เราจะเอามาฆ่ากิเลส ก, กันฆ่าตัณหากันฆ่าความอยากกันฆ่าความโลภ ก, กันฆ่าความโกรธฆ่าความหลงกันเครื่องมือที่พระเจ้าทรงค้นพบก็คือทาน ศีลภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่เองแต่ก่อนที่เราจะมีเวลามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้เราต้องมีเวลาถ้าเรายังเอาเวลาไปหาเงินไปใช้เงินอยู่เราก็จะไม่มีเวลา มาเจริญสติมาเจริญสมาธิไม่มีเวลามารักษาศีลดัง้นเราต้องหยุดหาเงินหาทองหยุดใช้เงินใช้ทองถ้าเราหยุดใช้เงินใช้ทองที่ไม่จําเป็นต้องใช้เราก็จะใช้เงินน้อยเราก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้ แทนที่จะทำงานทั้งวันทั้งคืนแล้วพอหยุดวันหยุดก็เอาเวลาไปใช้เงินกันวันทำงานก็เป็นวันหาเงินกันพอวันหยุดทำงานก็เอาเวลาวันหยุดไปใช้เงินกันก็เลยไม่มีเวลามารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันอย่างขั้นแรกนี้เราต้องหาวิธี หยุดการใช้เงินอย่าใช้เงินใช้ทองไปกับไปต่างความอยากต่า ง, งแล้วเราจะไม่ต้องใช้เงินมากใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นคืออาหารเครื่องนุ่หงห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเราก็จะไม่ต้องใช้มากอาจจะใช้เพียงร้อยละยี่สิบเท่านั้นเอง อีกร้อยละแปดสิบนี่เราไปซื้อเอาไปใช้ตามความอยากใชมากกว่าซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆเช่นเสื้อผ้ามีอยู่เต็มตู้แล้วก็ยังซื้อกันอีกกระเป๋ารองเท้าอะไรต่างๆของกินของใช้ของดื่มของอะไรทำตามความอยากกันเงินทองเราเลยไม่พอใช้กัน ถ้าเราอยาไปซื้อของเหล่านี้เราก็จะไม่ต้องหาเงินทองมากแทนที่จะทำงานเดือนละ20วันอาจจะทำแค่ 2-3 วันก็พอพอมีหรือว่าทำมันทั้งปีไปเลยแล้วก็หยุดทำงานได้ทั้งปีทำปีสลับกันทำปีหยุดปีหนึ่งทำทำงานเก็บเงินไว้สำหรับเอามาจ่ายค่า อาหารค่ายารักษาโรคค่าอะไรที่จำเป็นเราก็จะได้เอาเวลามารักษาสีลมาเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อฆ่าความโลภความโกรธความหลงฆ่าความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงนี่มันจะตายด้วยกำลังของสีลสมาธิปัญญา ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญานี้มันไม่มีวันตายเราต้องหาเวลามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันให้ได้แล้วก็ต้องปฏิบัติกันแบบเต็มร้อยเลยเพราะกิเลสตัณหามันทำงานเต็มร้อยมันทำงานตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยพอตื่นขึ้นมากิเลสมันก็ออกมาลนะ เดี๋ยวกินอะไรดีเดี๋ยวเดินอะไรดีเดี๋ยวดูอะไรดีเดี๋ยวฟังอะไรดีเราต้องเอาธรรมะเนี่ยเอาเอาศีลสมาธิปัญญามาหยุดมันศีลก็ต้องศีลแปดขึ้นไปเนี่ยมันชอบกินมากแล้วก็ห้ามมันว่ากินแค่เที่ยงวันก็พอหลังเที่ยงวันแล้วห้าม ก, กินไม่ตาย คนที่เขากินหนเดียวเขาไม่ตายกันมีเยอะแยะพระสงฆ์องค์เจ้านี่ท่านฉันมือเดียวท่านอยู่ได้อย่างสบายแล้วท่านจะได้มีเวลามามาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากิจกรรมอย่างอื่นก็ไม่ทำไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆ วันเดี้มันจะนอนนานแทนที่จะเวลามานั่งสมาธิกันก็ อ, อกไปนอนกันพระุตธเจ้านิชลาท่านรู้จักวิธีปิดทางของกิเลสกิเลสชอบนอนนอนคนเดียวก็ไม่ได้ต้องนอนกับแฟนด้วยแล้วต้องนอนนานๆ น, น, นอนเยอะ ลอนก่อนนอนก็ไปเที่ยวกันก่อนก่อนจะไปเที่ยวก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวกันก่อนเนี่ยมันก็เอาเวลาไม่หมดเลยเวลาจะมานั่งสมาธิไม่มีเลยถ้าไม่รักษาสีนแปดนี้จะหาเวลาไม่ได้สมาธินี้เป็นตัวสร้างเวลาให้เราได้มาปฏิบัติธรรมกันพอถือสีนแปดหรือสีสิบหรือสีสองร้อยี่บเจ็ด เช่นเป็นมาบวชเป็นพระนี้ก็ห้ามทำอะไรทุกอย่างที่คารวสทำกันก็จะมีเวลามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมาเจริญปัญญากันเนี่ยถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะสามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆได้ พอหยุดนได้แล้วก็ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากก็จะหมดไปศูนย์จากความโลกโกรธหลงศูนจากความทุกข์เหลือแต่บรลมมสุขเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดใจนี้สุขเพราะว่ากิเลสตัณหามันหยุดทำงานมัน มันตายไปเวลานั่งสมาธินี่เราหยุดกิเลสตัณหากันเรนั่งเราพุโทโธพุโทโธนี่ทําให้เราไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรนอะไรไม่ได้พอเราไม่คิดเราก็เลยไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิน่นนนทพอไม่มีความอยากใจก็สงบเย็นมีความสุขขึ้นมาความสุขของใจนี่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ถูก กิเลสตัณหามันมาทำลายเหตุที่พวกเราไม่มีความสุขใจกันก็เพราะเรามีความอยากกันมีความโลภความโกรธความโงกันพอเราหยุดความโลภความโกรธความโงได้หยุดความอยากได้ความสงบก็ผ่าขึ้นมาความสุขที่มากับความสงบก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่ได้จากการไปทําตามความโลภความโกรธความหลงเสกพอเราได้ความสุขจากสมาธิเราก็เลิกทําตามความอยากต่างๆได้เลิกดื่มกาแฟได้เลิกดูหนังฟังเพลงได้เลิกเที่ยวได้เลิกมีแฟนได้อยู่คนเดียวได้ยิ่งถ้าอยากจะเลิกอย่างถาวรก็ต้องมีปัญญา ทุกครั้งเวลาที่อยากจะมีแฟนก็คิดถึงเวลาเขาตายบ้างเช่นไปเมื่อวานนี้มีคนมานั่งมาเล่าว่าไปปฏิบัติที่สำนักที่เขาให้ไปนั่งสมาธิที่หน้าศพหน้าลงศพแล้วก็รงศพก็เปิดด้วยไม่ได้ปิดไว้ให้ดูศพแล้วก็ให้คิดถึงว่าถ้าเป็นแฟนเราเนี่ยเรายังอยากจะนอนอยากเขาไหมยังอยากใช่ไ เป็นแฟนกับเขาเปล่าถ้าเห็นแฟนเป็นศพเมื่อไหร่รับรองน่าต่อไปจะไม่อยากจะมีแฟนนะก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาอนนี้เรายังมองไม่เห็นแฟนเป็นศพยังเห็นเป็นเทวดายังเป็นเห็นเป็นนางฟ้าอยู่ยังไม่เห็นว่าเป็นศพกันยังต้องไปนั่งสมาธิที่หน้าศพกันนั่งดูบ่อย แล้วก็ดมกลิ่นศพด้วยก็ว่าต้องสูดหายใจเข้าไปแรงๆเลยมือนถึงจะ <c oughs> มันถึงจะสบายไม่งั้นมันจะคอยกั้นอยู่เรื่อยๆสูดมันเข้าไปเลยใ น, นจะต้องสูดแล้วก็สูดเข้าไปเต็มที่เลย <c oughs> นี่คือวิธีนี้ปัญญาเนี่ย พระพุทธเจ้าให้สอนให้เรามองถึงความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราอยากได้กันดูตอนที่มันเสื่อมสภาพตอนที่มันหมดมันก็จะทำให้เราไม่อยากได้เราอยากได้แล้เพอคิดถึงเวลาได้มาแล้วมันเสียไปหรือหายไปได้เงินมาแล้วเวลาเงินหายไปเรารู้สึกยังไงเสียใจไหม แต่ตอนนี้ไม่มีเงินไม่เสียใจแต่พอได้มาแล้วเสียไปกับเสียใจู้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่มีความอยากได้เงินดีกว่าพอไม่มีความอยากได้เงินแล้วก็เฉยๆกับเงินจะมีไม่มีก็ไม่สนใจถ้าต้องมีเงินก็มีเพื่อไม่กินอาหารไปแ ค, ววค่วันละครั้งก็พอแล้ว นี่แหละต้องใช้ปัญญาต้องมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเวลามันเสื่อมเวลามันหมดนี่เราก็จะเสียใจทุกข์ใจกันหรือเห็นเวลาที่มันเปลี่ยนไปเราก็ไม่อยากได้แล้วได้แฟนมาใหม่ๆเขาก็ดีเดี๋ยวต่อไปเขาไม่ดีขึ้นมาเราก็ทุกข์แล้ว ใหม่ๆก็เอาอกเอาใจกันพอได้กันไม่นานเดี๋ยวก็ต่างคนต่างเอาใจตัวเองแล้วสิไม่เอาใจกันละพอเอาใจตัวเองก็เลยก็เลยทําให้ไม่มีความสุขและกลายเปนความทุกข์นี่คือปัญญาพุทธเจา้าสอนว่าให้เราพยายามมองเห็นสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นว่ามันเป็นทุกข์ มันไม่เป็นสุขได้สามีแล้วสามีตายไปวันนี้แล้วกลายเป็นา้างศพไปนี้แล้วจะมีความสุขกับ้ากศพ ข, ของสามีหรือภรรยาไหยไม่มีแล้วบางทีเรามองไม่เห็น ส, าส้างศพกันแล้วเขาก็เลยให้ไปนั่งไปดูของจริงกันไปดูอาจารย์ใหญ่ไปดูศพกัน ดูแลให้อามาจําไว้ในใจทุกครั้งที่อยากจะได้แฟนก็ให้คิดถึงว่าเดี๋วเดี๋ยวได้แฟนก็เท่ากับได้ศพมานะต่างกันตรงที่ตอนนี้ยังหายใจได้เท่านั้นเองพอหายใจไม่ได้ก็แปลกลายเป็นศพไปละวศพมันมาจากไหนมันก็มาจากร่างกายของพวกเรานี่แหละแต่เมื่เวลาไปดูศพเกิดขยะแกล้งกั น, กน แต่ทำไมเราอยู่กับร่างกายของเราที่เป็นศพเหมือนกันทำไมไม่ขยะขยนนะง่ะศพมันก็มีตับไตไส้พุงเราก็มีตับไตไส้พุงเหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นตับไส้พุงของเราเลยใช่ไมเห็นแต่หน้าอย่างเดียวเราส่องกระจกนี่ก็ส่องดูแต่หน้าอย่างเดียวดูแต่คิ้วดูแต่ตาดูแต่ผมนะ้นไม่ยอมดูหัวใจไม่ดูปอดไม่ดูตับดูไต ไปเปิดดูตรงไหนวันนี้ตับเราเป็นยังไงบ้างหัวใจเราเป็นยังไงบ้างปอดเราเป็นยังไงบ้างไม่ดูเลยพอไปดูดูของหนุนเขาก็ตกใจกลัวขึ้นมาทั้งทั้งที่ก็เหมือนกับของเราทุกอย่างเหมือนกันหมดอยู่กับเราตลอดเวลากลับไม่กลัวพอไปเห็นดูเห็นของคนอื่นขึ้นมากับกลัวขึ้นมานเวลาไปดูเขาผ่าศพเนี่ย พอเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ข้างในนี่เห็นแล้วก็กลัวแต่อยู่กับไอ้ตัวนี้มาตลอดกับไม่กลัวมันแปลกมเนี่ยเขาเรียกว่ากระจกส่องใจคือบางทีใจเรามองไม่เห็นกระจกส่องทำส่องดูร่างกายเรา ต้องไปดูร่างกายของคนอื่นดูร่างกายของศพแล้วมันถึงจะทําให้เราเห็นร่างกายของเราว่าร่างกายของเราก็เป็นศพเหมือนกันแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวตายนะถ้าเรารู้ว่าต่อไปร่างกายเรามันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยกลวัวไม่กลัวมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้นไปกลัวทวําไมกลัวก็ห้ามมันไม่ได้กลัวมันก็ต้องเป็นไม่กลัวมันก็ต้องเป็นแล้วต่อไปมันก็จะหายกลัว อะต้องไปต้องไปอยู่กับของจริงตอนที่พูดยังไงก็ยังไม่หายกลัวต้องไปอยู่แล้วเวลากลัวจะได้หาวิธีทําให้หายกลัวคนนี้ก็ไปอยู่เขาเวลากลัวนี่เขาพูดโทกันอย่างเดียวนั่งหลับตาพูดโทกัน่ะพอใจสงบก็หายกลัวใจเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเอง ทั้งทังตอนนี้ก็อยู่กับผีอยู่กับศพแต่ไม่ปรุงแต่งก็เลยไม่กลัวไม่กลัวศพอันเนี้ยกลัวศพที่เรามีของเราเนี่ยศพนี้ไม่กลัวกันไม่กลัวศพของคนอื่นทั้งๆที่ก็เป็นเหมือนกันทุกอย่างศพของคนอื่นกันบศพของเรานี้ไม่ต่างร่างกายของคนอื่นกับร่างกายของเราไม่ต่างกันมีอาการ32เหมือนกัน มีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันแต่เรามองไม่เห็นเนันเองเราเห็นแต่หน้าอย่างเดียวร่างกายของเราเนี่ส่วนใหญ่เราดูแค่หน้าเราท่านั้นไม่ดูอาการสามสิบสองก็เลยคิดว่าไม่มีกันถ้าเราไปดูแล้วเอามาคิดอยู่บ่อย ว่าตลอดเวลาว่าเราอยู่กับศพตลอดเวลาเราก็ต่อไปจะไม่กลัวไม่กลัวอะไรไม่กลัวศพเห็นศพก็จะเฉยเฉยแล้วก็ยอมรับด้วยว่าต่อไปร่างกายอันนี้ก็ต้องกลายเป็นศพ <c oughs> พอยอมรับได้มันจะขายกลัวมันจะไม่กลัวตายต่อไป <c oughs> นี่เรียกว่าปัญญา เราต้องดูความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างความไม่เที่ยงของร่างกายก็คือเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายตลอดเวลาเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราไม่เห็นและเราไม่ยอมรับมันเราไม่ยอมแก่กันพอแก่นี่ยเริมหาวิธีแก้กันแนะ พอผมเริ่มหงอกก็หายามาย้อมนะพอหนังเหี่ยวก็หาวิธีดึงดึงหนังกันนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายาหาหมอกันแต่ทายังไงมันก็หนีไม่พน้นเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บจนไม่หายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปถ้าเราเอามา พิจารณาอยู่ได้เรื่อยว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้ต้องมีพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาถ้าลิดจิตอย่างนี้อยู่เรื่อยมันจะสอนใจจะเตือนใจให้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเวลาพัดภาคจากกันก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้เวลา คนที่เรารู้จักจกากกันไปเราก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เสียใจเวลาร่างกายเราแก่เราก็จะไม่เสียใจไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บหรือจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรายอมรับความจริงถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็จะทุกข์เราก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงอยู่ดีความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่ดี ร่างกายก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีแต่จะแก่เจ็บตายแบบสุขหรือทุกข์หรือทุกข์หรือไม่ทุกข์กันเองถ้าเราไม่ฝืนความจรงิงยอมรับความจรงิงเราก็จะไม่ทุกข์กับความความจริงของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราฝืนไม่ยอมรับเราก็จะทุกข์เนี่ยการปฏิบัติการใช้ปัญญานี้ก็เพื่อ ดับความทุกข์ดับความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีปัญญาจะสามารถดับความอยากได้ทุกชนิดดับความทุกได้ทุกชนิดจนไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจใจก็เลยกลายเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นนิบานังปรมังสุขขงังเป็นใจที่มีบรมีสุขใจที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีตัณหาไม่มีกิเลส ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายก็เรียกว่านิพพานังปรมังศูญยอย่างใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวคือบัล ม, มะสุนี่เกิดสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้าได้รับจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตาม การฟังธรรมนี้เป็นจุดเริ่มตน้นการศึกษานี้เป็นการเรียนรู้แต่ยังไม่ได้พาไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นเหมือนกับการดูแผนที่เช่นเราอยากจะไปกรุงเทพเราไม่เคยไปเราก็เปิดแผนที่ดูเราอยู่ตรงนี้ต้องไปถนนสายไหนต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ตรงไหนพ อ, อไปถึงทางแยกสุขุมวิทนี้ต้องเลี้ยวซ้ายเลียเ้ยวขวา ทางเลี้ยวซ้ายก็ไปสัตหีบเลี้ยวขวาก็ไปกรุงเทพไปมองชนเราก็ไปตามแผนที่การดูแผนที่นี่ยังไปยังไปไม่ถึงมีแผนที่แล้วก็ต้องออกเดินทางพระพุทธเจ้าให้แผนที่มาแล้วว่าการไปนิพพานก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนา ให้เราเอาเงินที่จะไปซื้อของตามความอยากต่างๆนี้ไปทําบุญทําทานแทนถ้าอยากจะใช้เงินให้ใช้ใช้ไปกับการทําทาน<ม>เพราะจะทำให้เรามีความสุขใจและทำให้เรามีกำลังที่จะไปรักษาศีลได้<ม>ถ้าเราไม่ทําทานนี้เราจะไม่มีกำลังรักษาศีลเพราะเราอยากจะใช้เงินเมื่ออยากจะใช้เงินก็ต้องอยากจะหาเงิน ไม่อยากจะหาเงินก็รักษาศินไม่ได้เพราะว่าถ้ารักษาสินมันจะหาได้ยากกว่าใช่ไหมระหว่างโกงกับไม่โกงอันนี้อันไหนจะจะได้เงินง่ายกว่ากันโกหกนิดเดียวพูดคําโกหกหน่อยก็ได้นะพูดความจริงก็อาจจะไม่ได้พอค้าแม่ค้าเขานูก ว, ว่ารักษาศินลําบากเหลือเกินเพราะต้องคอยโกหกคนมาซื้อข้าวของอยู่เรื่อย ซื้อมาท่านนู้นซื้อมาเท่านี้นกหกแล้วคนซื้อก็ชอบเชื่อโอ้ยขาดทุนเนี่ยเชื่อเลยพอก็บอกขาดทุนหน่อยสงสารก็เลยแต่ถ้าเราทำบุญทำทานเราจะไม่มีความโลภอยากได้เงินเพราะที่เพราะเราไม่อยากได้เงินเราจึงเอาเงินไปทำบุญทำทาน ว่าเรามีเงินมากเกินไปว่าเราไม่ต้องเอาไปใช้ตามความอยากแล้วเรายุดเราสร้างกฎขึ้นมาใหม่ต่อไปนี้จะไม่ใช้เงินตามความอยากจะใช้เงินตามความจำเป็นจริงๆจำเป็นก็คือถ้าไม่ได้สิ่งนี้แล้วต้องตายเรียกว่าจำเป็นเช่นถ้าไม่ได้ซื้อข้าวมากินนี่ต้องตายเยเจำเป็นแต่ถ้าจะซื้อรถใหม่นี่จาเป็นไหมถ้าไม่ไม่ได้ซื้อจะตายไ้มไม่ตายก็ไม่ต้องซื้อ ได้จะไปเที่ยวนี้จาเป็นไหมถ้าไม่ได้เที่ยวจะตายไหยนี่ไม่จำเป็นถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปใช้กับของไม่จาเป็นนี่เอามาทำบุญจะดีกว่าแล้วจะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจจะทาให้เราไม่มีความอยากเที่ยวไม่มีความอยากจะซื้อของไม่จำเป็นต่างๆแล้วเราก็จะมีกำลังรักษาศีล พอเรารักษาสิ่งได้เราก็จะมีเวลาม า, านั่งสมาธิมาเจริญปัญญาพอเรามีสมาธิเราก็มีความสุขใจทําให้เราไม่ต้องทําตามความอยากได้เลิกทําตามความอยากได้ถ้ามีปัญญาบอกว่าการทําตามความอยากนี่นําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขเราก็จะหยุดทําตามความอยากกันอยากมีแฟนก็ต้องเห็นแฟนวนะ่า กำลังจะไปมีซากศพมาเป็นแฟนจะเอาเหรอือคิดอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่เอาเดีวกว่าอยู่กับซากศพอันนี้ก็พอแล้วต้องหาซากศพเป็นการมาอยู่ด้วยแต่ถ้ามีปัญญาแล้วต่อไปก็จะตัดความอยากได้หมดพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิด พะการมาเกิดก็พาะยังมีความอยากอยู่ยังอยากดูอยากฟังก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่อยากดูอยากฟังก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปเพราะไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายสบายอยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่แบบนิพพานอยู่แบบศูนย์ สูญจากร่างกายสูญจากการเกิดแก่เจ็บตายสูญจากความโลภโกรธหลงสูญจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นสูญจากความทุกข์ทุกรูปแบบอันนี้ไม่ดีล่ะนิพพานเนี่ยวันนี้เราก็ได้มาเห็นแผนที่แล้วได้ยินแผนที่แล้วคือทำทานรักษาศีลภาวนา ภาวนานก็คือให้ฝึกเจริญสติให้หยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะไม่คิดอะไรให้อยู่กับลมก็จะอยู่กับลมพออยู่กับลมอย่างเดียวมันก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขพอจากสมาธิมาพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําเลยไปหาความทุกข์อย่าไปแกว่งเท้าหาเสียนเลย อยู่เฉยๆสบายแล้วอยู่กับความสงบนี้ดีอยู่แล้วไม่มีความสุขที่ไหนจะดีกว่าความสงบที่เรามีอยู่นี่ไปได้อะไรมาเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับมันถ้ามีปัญญาก็จะหยุดความอยากพอไม่มีความอยากก็ไม่มีอะไรให้ต้องทำอีกต่อไปเสร็จกิจของศาสนาสิ้นสุดไม่ต้องมีการปฏิบัติทาอีกแล้วเพราะ การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการกินยาพอโรคภัยหายโรคภัยท่ายเจ็บหายไปก็ต้องไม่ต้องกินยาต่อไปอก็าวสบายอยู่เฉยๆจะทำอะไรก็ได้แต่ไม่ ไ, ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็ทำอยู่ในกรอบของศีละละทมในศีลห้าศีลแดศีลสองรอยสิบเจ็ดไป แล้วก็มีความสุขไปจนวันตายแล้วหลังจากตายไปแล้วก็สุขต่อไปนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตายไปแล้วต้องสองพันห้าร้อยกว่าปีก็ยังสุขอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่หายไปไหนใจของพุทธเจ้าไม่หายไปไหนนี่ยยังเป็นบรมสุขอยู่ตอนนี้สุขมาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วแล้วจะสุขต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราเดินทางไปถึงพระนิพพานเหมือนกับพระพุทธเจ้าจะเดินไปได้เราก็ต้องทําทานรักษาศีลมาแล้วก็ภาวนากันฉอนขั้นต่อไปก็คือเราต้องไปปฏิบัติกันแล้วต่อไปนี้เวลาจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากก็เอาไปทําบุญหรือเก็บไว้ใช้กับของจำเป็นซื้อของจำเป็น ถ้าเราเก็บไว้ชื้อของจำเป็นเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงินมากเพราะมีเงินสำรองไว้แล้วเราก็จะได้หยุดทำงานได้เราจะได้มีเวลามารักษาศีลแปดมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันแล้วเราก็จะตัดความโลภโกรธหนองความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไป พวกเราต่างจากพระพุทธเจ้าตรงตรงนี้ยเราอาจะเกิดในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ได้เมื่อสองวห้าร้อยกว่าปีแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่กลับมาเกิดแล้วพวกเรายังกลับมาเกิดอยู่ยังกลับมาทุกข์กันอยู่อีกเดี๋ยวชาตินี้ตายไปถ้ายังไม่ถึงนิพพานเดี๋ยวชาติหน้าก็คราวหน้าก็มากลับมาเกิดมาทุกข์แบบนี้แต่คนที่ถึงนิพพานแล้วก็มีแต่สุขไปตลอดไม่ต้องกลับมาทุกข์แบบนี้อยู่ซ้ําแล้วซ้ําอีก ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุมูธนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกปัรปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตตสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปณะระโสยะธามณิโชติกบะโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารุโควินัสสตุมาเตผวะตองันตราโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานสีลิธานิจังวุธาปะจจัย อินโจัตตารโอธมรมวาทานติอายุวันสุขังพาลาสมัยนี้ก็ดีตรงเนี้ยสามารถฟังธรรมได้ทั่วโลกช่วยได้เยอะคนที่อยู่ห่างไกลจากธรรมพอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะช่วยบรรเทา ความวุ่นวายใจต่างๆไดต้ต้องสนใจถ้าไม่สนใจก็จะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายก็จะไปหาที่พึ่งทางอื่นกันไปหาสุรามาดื่มไปช้อปปิ้งกันเวลาทุกข์กันทีก็ไปช้อปปิ้งกันไปหาสุรามาดื่มเพื่อให้ลืมเรื่องของความทุกข์ไป มันก็เรืมได้เดียวเดียวเดียเด๋ยวก็กลับมาเจออีกสู้เผชิญกับปัญหาเลยดีกว่าความทุกข์มันมีเหตุค้นหาเหตุให้เจอแล้วหยุดเหตุนั้นให้ได้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบแล้วเหตุของความทุกข์ทั้งหมดก็อยู่ที่ความโลภความอยากเหล่านีนเ้เราโลภอะไรอยากได้อะไรพอไม่ได้ดังใจ ผีมานะเหตุของความไม่สบายใจะความทุกข์ใจก็อยู่ที่ความโลภความอยากของเรานี่ถ้าไม่โลภไม่อยากแล้วมันก็สบาย้าไมต้องไปโลภไปอยากทาไม พอมหลงคิดว่าได้ตามความอยากเราจะสบายกว่าจะสบายนิดเหนื่อยัหมกว่าจะได้ตามความโลภตามความอยากสบายเดียวๆเดียเด๋ยวก็เกิดความโลภความอยากใหม่ขึ้นมาเองความสบายก็หายไปนะซึ่งเอาความสบายจากการหยุดความโลภความอยากนีกว่าอันนี้จะสบายอย่างยาวนานเลยว่าไงตอนนี้เข้ามาแนละ้ <Tony> โทนี้โรมิโอตัวนี้ยังไม่เข้าครับแ ช, ร, ชรันยังไม่เข้าได้ยินชื่อเดี๋ยว่าเข้ามาแล้วเนี่ยฮัลโหลอาจารย์ how are you <c oughs> <c oughs> มีคำถามไหมมีคำถามจากอินอินบ็อกซ์ก่อนนะครับจากคุณนภะนะารครับขอเรียนถามว่าอัาบายามุกหกข้อใดเสื่อมมากที่สุดครับเท่าที่เรานึกได้มันมีแค่5้าเมื่อล แล้วอะไรกันเนึ่ยเ<ม>ที่ยวกลางคืนก็ครัชั่วเป็นมิตรเดินโซลาเล่นการพ น, นันความเกียดค้านแล้วก็อะไรเที่ยวเที่ยวดูบันเทิงต่างๆใช่ไหมเที่ยวกันดูบันเทิงก็เที่ยวกลางคืนนี่แหละเ ท, ที่ยวดูการละเล่นการลเล่นมหัศศกต่างๆคร<ม>อครชั่วเป็นมิตรเล่นการพนันานการพนานเดินกางนดื่มน้ำเมา มันก็พอๆกันทั้งนั้นอย่าไปอย่าไปว่ามันดีดีมากดีน้อยหรือดีมันเลวด้วยกันทั้งนั้นแหละทั้งหกตัวนี้อย่าไปอย่าไปเลือกเจอตัวไหนก็ฆ่ามันเลยพระอาจารย์แต่ในในกูเกิลเนี่ยบอกว่าโทษของการดื่มน้ำเมาในพบหน้านเนี่ยก็คือก็หนึ่งเกิดเป็นคนใบ้ เพราะพู้ประพฤตเช่นนี้ขนาดตายยังเมาสุรายังไม่ได้พูดกล่าวลาผู้มีพระคุณหรือญาติมิตรตายขนาพูดคุยไม่รู้เรื่องพอตายแล้วมันก็ตกในรกแล้วกลับมาเกิดใหม่เป็นคนใบ้เอ อ, เ อ, อว่าไปคำถามต่อไปจาก YouTube นะครับจากคุณปียะครับกรณีกระผมทำสมาธิหรือฟังธรรมก่อนนอนแล้วหลับไปเลยกระผมพิจารณาว่ายังฝึกศติไม่ดีพอ กราบก็ อ, อาจารย์ช่วยแนะนําวิธีการฝึกสติให้ช่างนานด้วยครับก็ต้องพยายามทําอยู่บ่อยๆทําทั้งวันทําตั้งแต่ตื่นจนหลับเราสามารถเจถริญสติควบคู่กับกิจกรรมที่เราทําในชีวิตประจําวันได้เราไม่ต้องหยุดกิจกรรมที่เราทําเวลาเราทํากิจกรรมอะไรก็ให้มีสติอยู่กับกิจกรรมนั้นไปอย่าให้ใจเราไปที่อื่น เนี่ยเรากำลังอาบน้ำก็ให้อยู่กับอาบน้ำอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นทำงานคิดเลขคิดบัญชีวางแผนก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่าไปคิดอย่างอื่นมันก็ยังถือว่ามีสติอยู่แต่มันจะไม่สงบเป็นสมาธิเท่านั้นเองแต่ถ้าอยากจะให้สงบเป็นสมาธิก็ต้องนั่งเฉยๆหลับตาหยุดกิจกรรมทุกอย่างถึงจะเข้าสู่สมาธิได้ แต่ก่อนจะเข้าสู่สมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนฉะนั้นพยายามหฝึกทำเจริญสติตลอดเวลาให้อยู่กิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นอย่าส่งจิตไปที่อื่นให้ดึงจิตไว้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับกิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่ไม่ใช่อานน้นําไปก็คิดว่าเดี๋ยวไปแต่งตัวสใส่เสื้ออะไรดีใสก่กางเกงอะไรดียะกินข้าวกินอะไรดีเนี่ย นี่แสดงว่าสงใจไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติแล้วถ้ามีสติต้องอยู่กับการอาบน้าเพียงอย่างเดียวอาบน้าเสร็จเช็ดตัวก็ต้องอยู่กับการเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าก็ต้องอยู่กับการใส่เสื้อผ้านี่เรียกว่าการฝึกสติเจริญสติถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเวลาเรานั่งสมาธิมันจะไม่หลับแล้วมันจะสงบ คำถามจาก Facebook live คำถามจากโยมโจกการสร้างโบสถ์เจดีย์พระพุทธรูปกับการเ จ, เจริญภาวนาสติอย่างไหนได้อันนี้ส่งมากกว่ากันครับเออเจริญสติแน่นอนอุปจารไม่ได้สอนให้สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์คือสร้างได้แต่ไม่ได้เน้นให้เน้นที่การสร้างสติกันมากกว่าให้สร้างโบสถ์สร้างพระในใจเรา คำถามจากคุณสุวรรณาพยายามนั่งสมาธิทุกวันเช้าเย็นโดยใช้คำบริกรรมพุทโธบางครั้งรวมลงเป็นสมาธิได้ง่ายบางครั้งไม่สามารถรวมได้เลยมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าคะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะก็สติเราไม่แน่นอนไงถ้าสติเราวันไหนดีไม่ดุดมันก็สงบรวมได้ถ้าวันไหนมันดุดพุทโธแล้วก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็กลับมาพุทโธใหม่ มันก็เหมือนกับล้มลุกคุกขานแต่ถ้ามันพุทโธต่อเนื่องมันก็เหมือนวิ่งอยู่มันไม่ล้มเมื่อมันวิ่งอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็ถึงจุดไหยปลายทางได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้ามันล้มลุกคุกขานนี่มันก็ไปไม่ถึงั้นอยู่ที่สติเป็นหลักผลสมาธิเป็นผลของสติถ้าสติดีต่อเนื่องสมาธิก็จะรวมได้ง่าย ถ้าสมาธิถ้าสติไม่ต่อเนื่องก็จะเข้าสมาธิไม่ได้คําถามจากคุณสุรพลเคยได้อ่านบทคําสอนของพระอาจารย์มั่นว่าอานาปนานสติเป็นยอดของกรรมฐานทั้งปวงไม่ทราบว่ามีคําอธิบายเป็นอย่างไรครับเพราะไม่ทราบว่าเป็นคําสอนอาจารย์ใหญ่จริงหรือไม่ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนในสติปัฏฐานสูตร เวลานั่งสมาธิท่านให้ดูลมหายใจเข้าออกให้ไปนั่งขัดบันลังอยู่ใต้โคนต้นไม้เพราะสมัยก่อนพระไม่มีโบสถ์ไม่มีกุฏิก็ไปอยู่ตามโคนไม้ไปอยู่ที่โคนไม้มันร่มมันเย็นมันสงบมันไม่มีเสียงไม่มีคนอะไรมารบกวนคือไปอยู่ในป่าแล้วก็ให้มีสติดูลมหายใจเข้าออกให้ดูเฉยๆอย่าไปบังคับลมอย่าไปสูดหายใจ แรงแรงลึกๆอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นาปนาสติอนาปนสตินั่งแล้วก็ดูที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแล้วก็รู้ว่ามันสั้นหรือหรือมันยาวมันหยาบหรือละเอียดเวลามันไม่มันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปไม่ต้องตกใจกลัวถ้ายังรู้อยู่ไม่ตายไม่ต้องกลัว เพียงแต่ว่าลมมันละเอียดจนเราไม่สามารถที่จะรู้มันได้ท่านั้นเองแต่มันยังหายใจอยู่ถ้าเรารู้เฉยๆถึงตอนนั้นถ้าเราไม่ตกใจเดี๋ยวจิตมันก็จะวุบลงไปเข้าสู่ความสงบแต่ส่วนใหญ่คนไม่เข้าใจพอถึงจุดนี้เอ๊ะลมหายใจ ห, หายไปแล้วเดี๋ยวไม่หายใจตายหรือเปล่ารีบสูนลมหายใจกันใหญ่จิตกาลังจะละเอียดกำลังเข้าได้เข้าเข็มก็เลยต้องถอนออกมา ปล่อยให้มันเข้าได้เข้าเข็มไปมันกำลังจะหายไปมันจะกำลังจะมันกาลังจะเข้าสู่ความสงบนี่คือการดูลมหายใจเข้าออกสอนโดยพระพุทธเจ้าอนาปนสติในสติปัฏฐานสี่ก่อนที่จะเจริญปัญญาต้องมีสมาธิก่อนสมาธิก็ต้องอาศัยอนาปนาสติแต่ก่อนที่จะมานั่งอนาปนสติต้องใช้กายกตาสติก่อน ก็คือให้เฝ้าดูกิจกรรมทางร่างกายก่อนไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้ว่ากำลังทำกิจกรรมนั้นอยู่กำลังเดินกำลังหันซ้ายหันขวากำลังแกว่งมือแกว่งอะไรกำลังทำอะไรให้มีสติอยู่กับกิจกรรมของร่างกายเพีงอย่างเดียวแล้วพอไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งขัดสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก ถามีสติอย่างต่อเนื่องดูลมได้อย่างต่อเนื่องจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ พ, พอหลังจากนั้นออกจากความสงบมาก็สามารถมันจเจริญปัญญาได้ละมาพิจารณาร่างกายได้ละดูความไม่เที่ยงของร่างกายเอร่างกายเกิดมาแล้วต้องเป็นไงต่อไปต้องแก่ใช่ไหมต้องเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมต้องตายใช่ไหอก็ดูว่านี่แหละคือความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายไม่มีตัวตนให้ดูยังไง ก็ดูว่าในร่างกายนี้ตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมหรือเปล่าถ้าโกนผมไปแล้วเรายัง เ, เราหายไปกับผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนถอนขนหมดทั้งร่างกายแล้วเราหายไปกับขนหรือเปล่าอยู่ที่เล็บตัดเล็บไปให้หมดแล้วมันจะหายหรือเปล่าอยู่ที่อาการสามสิสองอาการใดอาการหนึ่งหรือเปล่าไม่มีมันเป็นเพียงอาการเท่านั้นเองมันเป็นอวัยวะที่ประกอบทาให้มีร่างกายนี้ขึ้นมาเท่านั้นเอง แล้วมันทํามาจากอะไรมันก็ทํามาจากอาหารที่เรากินเข้าไปใช่ไหม อ, กออกข้อออกมาถ้าไม่กินอาหารจะโตขึ้นมาได้ไหยถ้าไม่ดื่มน้ําจะโตขึ้นมาได้ไหมถ้าไม่หายใจจะโตขึ้นมาได้ไห ม, ถ, ไ ม, ห ม, ไไหมถ้าไม่มีความอบอุ่นมันจะตายมันจะอยู่ได้ไหมมันก็อาศัยดินน้ำหลุไฟอาหารก็เป็นดินเป็นน้ํำน้ําที่เราเดื่มก็เป็นน้ําลมที่เราสูดเข้าไปก็เป็นลมธาตุลม ไปก็ความอุ่นของร่างกายก็เป็นาธาตุไฟเมื่อมีการป้อนาธาตุทั้งสีนี้เข้าไปในร่างกายมันก็เป็นการมีการผลิตอวัยวะต่างๆขึ้นมากระดูกก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นเอเนื้อหนังมังสา ก, ก็เพิ่มมากขึ้นปอดหัวใจตับไตก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็มาจากดินน้ำล ม, มไฟแล้วพอเวลาร่างกายนี้ตายไปมันไปไหน มันก็กลับไปสู่ดินน้ำนํำลมไฟเอาไปเผามันก็เหลือแต่ดินฮะเหลือแต่ขี้เถ้าปล่อยมันให้มันเปื่อยมันผุมันก็แยกกันไปน้ําก็ไหลออกมาลมก็ระเหยออกไปเป็นกลิ่นเนี่ยความร้อนก็หายไปเดี๋ยวนานเข้าก็เหลือแต่ดินเหลือแต่ของที่เป็นของที่มันเป็นของแข็งเช่นกระดูกหนังเนื้อที่มันแห้งเหี่ยวไปหมด ทิ้งไปนานามันก็เผื่อมันก็ปุมันก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราจะเป็นร่างกายได้อย่างไรเราเป็นผู้ได้ร่างกายนี้มาเป็นของขวัญรู้เป่าเด็กใครให้ของขวนนัญอันนี้มาพ่อแม่ใช่ไหม แล้วเราลับของขวัญมาแล้วเราจะกลายเป็นของขวัญได้หรือเปล่าคนรับของขวัญจะกลายเป็นเป็นของขวัญไปได้หรือเปล่าไม่ได้หรอก้นของขวัญก็เป็นของขวัญอย่างเวลาปีใหม่คนเขาส่งของขวัญมาให้คุณคุณจะกลายเป็นของขวัญไปหรือเปล่าคนบ้านั่นน่ะถึงไม่คิดว่าเป็นของขวัญนคนที่ได้ร่างกายมาแล้วไปคิดว่าเป็นร่างกายก็พวกบ้าทั้งนั้น่ะอพวกเราเนี่ยพวกบ้าทั้งนั้นหรือเปล่า ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นอะไรก็เลยไปเคลมว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมาร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเป็นของขวานจากพ่อแม่ไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำนมไฟพอเราเอาศัยเอาดินขอยืมดินน้ำนมไฟมาปั้นให้เป็นร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเจ้าของเดิมเขาก็มาข อ, อาคืนไปน้ำก็ข อ, อคืน ส่วนที่เป็นน้ําลมก็ขอส่วนที่เป็นนมไปดินก็ขอส่วนที่เป็นดินไปก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ร่างกายก็หายไปดูร่างกายของคนที่ก็เกิดมาปุยหญ้าตายายที่เขาเกิดมาตอนนี้ก็หายไปไหนหมดแล้วมันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟนะั่นแหลแต่ตัวปุวยหญ้าตายายเนี่ยไม่ได้หายเพียงแต่เราไม่มีตาทิพมองไม่เห็นนั่นะว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้เขาก็อาจจะไปมีร่างกายอันใหม่ก็ได้ อันนี้แหละคือการพิจารณาร่างกายเรียกว่าวิปัสสนาในสติปัฏฐานมันมีทั้งการฝึกสติทั้งการฝึกสมาธิและฝึกปัญญาแต่ต้องทําเป็นทีละขั้นทีละตอนขั้นแรกต้องฝึกสติก่อนเวลาจะทํากิจกรรมอะไรให้มีสติอยู่กับร่างกายตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ไปที่อื่นอย่าให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกาย แ้วถ้ามันไม่ไปที่อื่นเวลานั่งสมาธิดูลมมันก็จะไม่ไปที่อื่นมันก็จะดูลมอย่างเดียวพอดูลมอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องมันก็จะเข้าสู่สมาธิพอเข้าสู่สมาธิมันก็จะมีความสุขมีกําลังที่จะไป พ, พิจารณาทางปัญญาได้พอจากสมาธิมาก็พิจารณาร่างกายได้พอถ้าไม่มีสมาธิเดี๋ยวมันจะไปพิจารณาขนมนมเนยแทนไม่ใช่อะไรหรอกใช่ไหมวันวันนึงใครเป็นพิจารณาร่างกายมั้ย เคยมาคิดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมไม่เคยคิดแต่ว่าเดี๋ยวจะไปกินที่ไหนดีเดี๋ยวจะไปดื่มอะไรดีเดี๋ยวจะไปดูอะไรดีไปฟังอะไรดีเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะคิดแต่เรื่องเหล่านี้เพราะมันหิวกิเลสมันหิวแต่เวลาทำสมาธินี่มันหยุดกิเลสมันตัดกำลังกิเลสทำให้ใจอิ่มใจเลยไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นเลก็เลยสั่งให้มันมาคิดทาง ปัญญาได้ให้มาคิดถึงความแก่เจ็บตายได้ให้มาดูคนคว้าหาดูว่าตัวเราอยู่ในร่างกายตรงตรงจุดไหนบ้างอยู่ที่กระดูกหรือกระดูกเป็นเราหรือเปล่าเราเป็นกระดู ก, ก็เปล่าเล็บนี้เป็นเราหรือเปล่าเม hmm. ื่อกี้เพิ่งตัดเล็บไปเนี่ยเรายังเราหายไปกับเล็บหรือเปล่าเราพิการไปกับเล็บหรือเปล่ามันไม่เป็นหอนรอกเล็บมันก็เป็นเล็บมันก็มาจากดินน้ํำลมป่าปเป็นเป็นดินเนี่ยตัดเล็บทิ้งไปโยนทิ้งไปในป่าเนี๋ยมันก็ มันก็ผกเปื่อยกลายเป็นดินไปเราพอเรานั่งสมาธิแล้วพอเริ่มจิตมันรวมมันสงบขึ้นเนี่ยเราควรจะเริ่มหยิบยาง<ม>ายางยา ง, งยางยางให้มันสงบไปจัง ก, กับมันจะหายจากออกจากความสงบก่อนเวลาสงบนี้อย่าไปทําอะไรต้องการให้มันพักนานๆมันจะได้มีกําลังเยอะๆเหมือนคนนอนหลับเวลานอนหลับจะไปปลูกเขาขึ้นมาทํางานเข้าใจไหม คนก่อนจะนอนหลับได้เน่เหนื่อยพอหลับแล้วพอตื่หลับปุ๊บ ก, ก็ปลุกขึ้นมาทํางานเดี๋ยวมันก็หงุดหยิดลาคา่เนี่ยเดี๋ยวเขาอิ่มเขาอิ่มตัวแล้วเขาจะออกมาเองเขาไม่ฟุ้งหรอกเขาจะมาเริ่มคิดทีนี้เขาก็จะคิดตามภาษาเดิมคิดว่าไปทําอะไรดีฮดังนั้นเราก็อย่าไปเราก็บ อ, อกไปพิจารณาร่างกายดีกว่าต้องบอกมันต้องสั่งมัน เาไม่งั้นมันก็จะไปทำตามที่มันเคยทำเคยกินกาแฟเนี่ยออกมามันก็จะหากาแฟดื่มเคยดูทีวีมันก็จะเปิดทีวีดูเราบอกให้อย่าทำอย่างนี้เลยเรามาหาความรู้ดีกว่าที่เป็นวิปัสสนาที่จะทำให้เราปลดเปิ่มความทุกข์ที่เกี่ยวกับความยึดติดในร่างกายของเราดีกว่าพิจารณาร่างกายต่อไปเราจะได้รู้ความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่ามันต้องแก่เจ็บตาย เราจะได้ปล่อยวางมันอยาไม่ไปยึดไปติดไม่ไปหวงมันตอนนี้เรารักเราหวงร่างกายมันจึงทําให้เราทุกข์เวลาที่เราจะต้องเสียมันไปแต่ถ้าเร า, เรารู้ว่ามันไม่มีตัวเราอยู่ในนี้เวลามันตายเราไม่ได้ไปตายกับมันเราก็ไม่ต้องไปรักไปหวงมันมันเป็นเพียงของขวัญเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งอยากจะทรบาบว่าคนที่กำลังจะที่ไหน ล, ลง น, นะค ะ, คะแล้ว ให้มึกถึงพระพุทโธแล้วก็คนจะเชรลมแล้วอยู่เฉยๆอย่างนี้ยค่ะพอเรียกว่าให้ได้ถึงภาพพุทโธแล้วก็ยกมือขึ้นมาเองเลยค่ะพุทโธพุทโธจะเช็ลมก็ดีถ้าอยู่กับพุทโธใจก็จะสงบนะตอนแกเช็ดลมนะคะอถ้าอยู่ได้นะกลัวจะอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ได้เป็นแม่ชั้นเองนะคะคแม่เลยคะท่านก็มาแกเช็ดลมก็ดีลูกปีสาวเขาบอกว่าแม่ พูดโทรพูโทรก็ล้ยเฉยอยงนี้ค่ะแล้แม่ยกมือขึ้เองแล้วก็ปาพูทรโทรขึ้น้นลง่นี้บางทีแม่เขาพูดโธอยู่แล้วไม่ต้องไปบอกเขาหรอกไม่ใช่คือว่าลูกใช่นั่นแหละคือลูกไม่รู้นั่นแหละคือลูกไม่รู้ว่าเพื่อบางทีแม่เขาพูดโทรเขาอยู่แล้วพอพอลูกไปบอกพอพอลูกบอกนะคะให้แม่พูดโทแม่ก็ยกมือนั่นแหละก็แม่ยกมือให้รู้ว่าเพื่อบางแม่พูดโธรอยู่แล้ว อท่านยกมือเองค่ะนั่นแหละก็ไปบอกท่านท่านก็เลยะยกให้รู้ว่าท่านพูดโธอยู่ความจริงถ้าพูดโธไม่เป็นไปบอกยงไงก็พูดโธไม่ออกเม า, เ า, าก็มอกไม่ไปเห็นเลยว่าบอกลูกก็บอกแม่แม่วาพระพูดโธรแม่ก็ยกเลยเอต่ยังไงอย่ายที่ผููนี้ไม่ใช่แล้วไม่เดี๋ยวคิดว่าคนอื่นไม่เข้าใจไม่เคยพูดโธรมาเลยพอจะตายคนบอกให้พูดโธรก็พูดโธมันไม่ได้หรอก ตอนนี้พุทโธไม่เป็นตอนจะตายมันจะพุทโธเป็นนะใช่<ม>ไหมแม่ก็เป็นคนทำบุญนะคะนั่นแหละสิต้องเป็นคนทําบุญคนเคยเข้าวัดเคยพุทโธมาก่อนไม่ใช่ไม่เคยพุทโธมาเลยพอตอนจะตายลูกประกาสิ บ, บอกแม่พุทโธสิโดยพุทโธได้ไงแม่พุทโธก็ท่านยกมือขึ้นมาเองโซ่จนสินลงแล้มือตกใหม่เรือ่อยๆเพีงแต่จะพูดให้เข้าใจเดี๋ยวคนไม่เข้าใจทีจ่ว่าอย่างนี้คุณรอตอนตายให้ลูกมาบอกกู ตอนนี้ยังกูยังไม่อยากพุโทโธตอนนี้ยังอยากจะกาแฟอยู่ยังอยากจะกินอยากจะดื่มอยู่ไม่ไม่ได้หรอกถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนถึงเวลามันทําไม่ได้เพราะตอนใกล้จะตายนี่เหมือนตอนเข้าห้องสอบถ้าเราไม่เตรียมทําการบ้านไว้ก่อนดูหนังสือไว้ก่อนเวลาเข้าห้องสอบเราจะไปทําได้นะหรือนั่งมวยถ้าไม่ซ้อมเลยพอขึ้นเวทีจะไปโชคกับเขาได้ไงก็โดนก็ต่อยอย่างเดียวนเลย อ่าท่านต้องมีของท่านอยู่แล้วไม่ ง, งั้นท่านทําไม่ได้หรอกอ่าที่ท่านยกมือขึ้นจะให้บอกลูกว่าแม่กําลังพูดโทรอยู่ไม่ต้องเก๊กไม่ต้องกังวลเท่า น, นั้นเองแต่เราอาจะไปคิดว่าอ๋อเนี่ยพ่อลูกบอกแม่ถึงมาพูดโทรไม่ใช่หรอกขององนี้มันสอนไม่ได้ถึงเวลานั้นเหมือนนักมวยเวลาขึ้นเวทีครูจะไปบอกให้ชคซ้ายโชกขวาใช่ไหม สอนไม่ได้แล้วตอนนั้นอ่ะถ้ามันโชคไม่เป็นก็ถู ก, ก็โชคอย่างเดียวแหละ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าอย่างนี้นตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรตอนนี้เที่ยวเล่นกันให้พอ <Huh? S 1> เดี๋ยวพอถึงเวลาจะตายก็มาเนืง่งมาค่อยมานึกพุทโธกันนี่ uh huh. มันมันเป็นไปไม่ได้ mm hmm. อา้าวมากต่อคำถามจากคุณทองพระอาจารย์คะ mm hmm. เราทาสัมมาอาชีพเกี่ยวกับสุราเช่นเปิดร้านอาหารแบบใช่ไหมคะสุรามันจะเป็นสัมมาอาชีพได้ไงวะสุรามันก็ไม่ใชอาชีพแล้วไม่ใช่สัมมาอาชีพก็อยากขายสิขายแอาหารก็พอเออ้ทําไมเอาขายยาพิษด้วยสุรานี่ยมันยาพิษหรือเปล่ามันทําให้คนเสียสติขาดสติทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เน่ยครดูความหลงของคนเห็นผิดเป็นชอบไหมเห็นสุรากลายเป็นน้ําทิพตไปกันทีท่แทเป็นน้ําน้ําผิดกลายเป็นน้นานนปปําทิพตไปคําถามจากคุณปานทวันดื่มสุราแต่ไม่ได้ทําร้ายใครบาปไหมคะยังไม่บาปนะแต่มันทำร้ายตัวเองไงทำลายสติของตัวเองทําลายอวัยวะร่างกายของตัวเอง อายุจะสั้นโครคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนครพบหมอเขาหมอเขาบอกว่าเนี่ยภัยเสี่ยงของโรคภัยต่างๆก็คือการดื่มโุราเนี่ยคนที่ไม่ดื่มโุรานี่จะไม่มีโรคภัยเหมือนกับคนที่ดืมมด่มโุรานี่อายุจะยืนยาวนานกับคนที่ดื่มโุราค า, า, ากคุณมี พระอาจารย์มีวิธีจัดการเงินยังไงครับถ้าพระที่รับเงินมาแต่ไม่ได้มีแต่ไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้ตนเองมอบให้โยมแม่หรือมอบให้คนอื่นจะผิดพระวินัยหรือเปล่าครับถ้าพูดตามพระวิ น, นัยท่านบอกว่าถ้าได้รับเงินมาท่านให้อบายโยนทิ้งในป่าคำถามจากคุณสมชัย การอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวหรือไม่อยากให้มีโรคภัยเบียดเบียนเพื่อจะได้สร้างสะสมบุญบารมีไปนานๆจัดว่าเป็นปัญหาชนิดหนึ่งหรือไม่ครับไม่เป็นธรรมะเป็นมรรคเป็นความอยากที่ดีถ้าอยากจะทำบุญอยากไปนิพพานอยากปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เที่ยวกลางคืนไม่ทากิจกรรมที่เป็นภัยต่อร่างกาย ก็เป็นมัค ก, ก็เรียกว่าความอยากที่ดีเนี่ยก็เป็นมัคเป็นธรรมเป็นทางสู่การหลุดพ้นเช่นอยากจะทําบุญอยากมาฟังเทศฟังธรรมอยากนั่งสมาธิอย่างปฏิบัติธรรมอยากบวชนี่ยเป็นความอยากที่ดีเดียกวก็ฉันทะเป็นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเป็นอิทธิบาทสี่คำถามจากคุณเกียรติยศเมื่อเจ็บป่วยไม่สบายเราควรวางใจไว้อย่างไรดีครับ ก็วางใจเฉยๆเราไม่ได้เป็นร่างกายถ้ารักษาร่างกายได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันจะหายก็หายถ้ามันจะไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปถ้ามันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปแต่เราอย่าไปทุกพุ่นวายไปกับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามจากคุณติถาวนา ช่วงนี้นั่งภาวนามีความสงบดีสงบบ่อยๆเคยพิจรารณากายได้คล่องแค ล, ล่วว่องไวโล่งสบายดีแต่ตอนนี้มันเฉื่อยชาได้แต่รู้เข้าใจในกายแต่ไม่มีเกิดการพิจร า, า, พารณาพามันพิจรารณาก็ไม่ค่อยจะขยับไม่รู้จะทํำยังไงปัญญามันเฉื่อยมากๆค่ะลองไปนั่ง <c oughs> อยู่ในป่าช้าดูมันจะได้กระตุ้นปัญญาให้เกิดถ้ามันอยู่ที่ไหนที่มัน มันชินแล้วมันมันสบายแล้วมันก็จะขี้เกียจก็ต้องไปหาที่มันมีภัยก็เรียกว่าทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิดต้องไปหาที่มันกระตุ้นความทุกข์สัหน่อยความทุกข์นี่เป็นตัวกระตุ้นปัญญาถ้าอยู่ที่ปลอดภัยอยู่ที่สบายมันก็จะไม่มันก็จะไม่มีทุกข์ต้องไปหาทุกข์หรือถ้าไปประช้าไม่ได้ก็นั่งให้มันเจ็บนั่งให้มันเจ็บแล้วอยากขยับ ใช้ปัญญาเอาใช้ปัญญามาแก้ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บคำถามจากคุณทองพระอาจารย์คะโยมนั่งสมาธิเวลาเรานั่งนิ่งว่างเปล่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ที่นี่เหมือนมันกระตุกออกจากสมาธิอย่างเร็วอันตรายไหมคะ อ, อ๋อไม่อันตรายเหรอ ก, ก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่ามันผ่านไปแล้วบางทีจิตมันก็อาจจะมีอาการแปลกๆบ้างก็รู้ตามความเป็นจริงไป จิตเราอย่าไปตื่นเต้นตกใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้รักษาใจของเราเป็ น, ป, นปกติเหมือนไปดูหนังดูหนังจบแล้วมันก็จบเวลาดูเนเวลาดูมันอาจจะตื่นเต้นตกใจหวาดผวาไปกับหนังต่างๆพอออกจากโรงมามันก็หมดไปแล้วเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราก็เป็นเหมือนหนังดีๆนีอ่อย่าไปตื่นเต้นตกใจอย่าไปเป็นบ้าไปกับมัน บางคนไปเป็นบ้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในจิตเมื่อวันก่อนก็มีคนหนึ่งมามาเพราะพี่น้องก็พามาเขาไปปฏิบัติอยู่เจ็ดวันหรือสิบวันไปเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นอะไรไปแล้วเป็นบ้าไปเลยไม่ยอมกินข้าวกินน้ํา <c ười> คิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้ว อ, อันนี้ก็ต้องระวังนะเห็นอะไรก็ให้รู้วัศาสตร์แต่ว่ารู้ จะ่ไปเป็นกับสิ่งที่เราเห็นเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ยังกินอาหารยังต้องขับถ่ายเหมือนเดิมน่ะร่างกายมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ใจอาจจะฉลาดขึ้นถ้าเห็นแล้วรู้จักเอาสิ่งที่เห็นมาทำให้เกิดประโยชน์มาดับความทุกข์ใจได้มันก็เป็นฉลาดมันเป็นปัญญาแต่ถ้าเห็นแล้วเอามาทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เป็นความโง่ไม่รู้จักใช้สิ่งที่เห็น สิ่งบางอย่างนี่เห็นแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปสนใจมันถ้าเอามาดับความทุกข์ไม่ได้ก็อย่าไปสนใจมันเห็นแล้วก็ลืมมันไปเสียอย่าเอามาคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยคำถามจากคุณกันกราบเรียนถามความแตกต่างระหว่างจิตผู้รู้และผู้ถูกรู้ค่ะไม่นู้นเป็นกานผู้ถูกรู้ใครวะ <laughs> มิมิจตเจ็ผู้รู้จะเจ็ดผู้สูกรู้เพิ่งได้ยินวันนี้แหละมีแต่ผู้รู้ผู้คิดผู้ถูกรู้ก็สิ่งต่างๆไม่ใช่ร่างกายนี่มันคือผู้ถูกรู้นะเราพิจารณาร่างกายนะก็หมายถึงสิ่งที่เราไปไปรู้ไปดูเนี่ยเรียกก็เป็นสิ่งที่เป็นผู้ถูกรู้เนะช่นลูกเสียงกยล็ดลอดเนี่ยก็เป็นผู้ถูกรู้ ผู้รู้ก็คือรู้รู้รูปเสียงกลิ่นรสผู้ถูกรู้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสใช่ไหมเห ม, มือนกับคนตีกับคนถูกตีเนะี่ยใช่ไหมคนตีก็คือเราเราไปตีคนอื่นคนที่ถูกตีก็คืออก็ใจจิตจิตก็เป็นผู้รู้จิตไปรู้สิ่งนั้นไอสิ่งที่รู้นั่นก็คือผู้ถูกรู้ใช่ไหมเหมือนกับผู้ถูกตีไงนะ ก็คือร่างกายไงร่างกายหรือพื้นหรืออะไรที่เราเห็นด้วยตา น, นี่ก็เป็นคือสิ่งที่เขาเรียกว่ารูปไงเสียงเนี่ยผู้ถูกรู้ก็คือรูปเสียงกลภภิ่นรสผดภพะคือผู้ถูกรู้หรืออารมณ์ในจิตก็คือผู้ถูกรู้ <ใช S 2> รอารมณ์โกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทไม่สบายอกไม่สบายใจวิตกกังวลว้าวุ่นขุ่นมัวนี่ก็อารมณ์ในจิตนะก็คือผู้ถูกรู้ ผู้รู้ก็คือผู้ผู้รู้อารมณ์เหล่านี้วิธีที่ถูกต้องสำหรับผู้รู้อารมณ์เหล่านี้ก็คือเฉยกับสิ่งต่างสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปวุ่นวายกับสิ่งที่เราถูกรู้เวลาเห็นคนตายก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเวลาได้ยินเสียงคนด่าก็ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปโกรธเกลียดเขาผู้รู้ให้รู้เฉยๆอย่างเดียวอย่าไปมีอารมณ์อย่าไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่ถูกรู้ อาาว่ามคางถามจากคุณตีการภาวนาพุโทโธกำหนดฐานของจิตตอนภาวนาที่หน้าผากอกด้านซ้ายหรือท้องน้อยได้หรือเปล่าครับไม่ได้หรอกต้องอยู่กับคำพุโทโธอย่างเดียวโยมเบ า, บาหน่อยนะเดี๋ยวมันรบกวนกันคนำะถามจากคุณทองพระอาจารย์คะโยมอยากไปอยู่วัดเคยคิดว่าจะทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลังเราบาปไหมคะที่ทิ้งลูกๆไปเวแล้วเรา ทิ้งด้วยความตายบาปหรือเปล่าอ่ะทิ้งตอนตายไม่บาปแต่ทิ้งตอนเป็นบาปเมันก็ทิ้งเหมือนกันใช่ไหมอ่ามันต่างกันตรงไหนอ่ะมันก็ทิ้งเหมือนกันเน่ะถ้าทิ้งตอนตายไม่บาปแล้วทิ้งตอนเป็นมันจะบาปตรงไหนอ่ะไม่บาปหรอกคำถามจากคุณมาลิ การกลับชาติมาเกิดจะเป็นไปตามบุญที่เคยทําไว้หรือไปตามความผูกพันคะมีสองอย่างถ้าความผู ก, ผกพันมันมีกําลังมากมันก็จะกลับมาเกิดแต่เกิดเดียวเดียวแล้วก็ไปแล้วต้องไปตามบุญตามบาปต่อ mm hmm. เช่นพระผูกพันกับกบีวอนตายไปก็กลับมาเกิดเป็นตัวเลนเกาะกีวอไปก่อนพอตายแล้วก็ ก็ไปแล้วพอ ร, รู้ว่ากลับมาแล้วก็ไม่ได้สายจีวรไม่ได้แล้วเป็นตัวเลนแต่ความผูกพันกับจีวรนั้นมันมีอยู่แล้วก็กลับมาครั้งเดียวกลับมาเกิดเป็นตัวเลนครั้งเดียวเสร็จแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปที่ทําต่อไปหลังจากที่ตัวเลนนั้นตายไปคําถามจากคุณป้อมเวลาที่ฟังพระอาจารย์สอนลูกเข้าใจเรื่องความหยุดอยาก และมั่นใจว่าทำได้แต่พอมีสิ่งมากระทบเช่นมีคนพูดให้เราไม่สบายใจเรารู้สึกว่าทำไมเขาจึงทำแบบนั้นเกิดความอยากให้เขาไม่ทำกับเราต้องปฏิบัติอย่างไรคะก็ต้องหยุดความอยากนั่นไงก็รู้รล้ว่าเป็นความอยากทำให้เราไม่สบายใจเราก็หยุดความอยากให้เขาไม่มาพูดอะไรก็ปล่อยเ้าพูดไปเราห้ามเขาได้หรือเปล่าใช่ไหมเราก็ห้ามเขาไม่ได้ แ ต, แต่เราไปอยากให้เขาพูดดีพอเขาพูดไม่ดีเราก็ทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องหยุดความอยากของเราถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์กับคําพูดของเขาวิธีหยุดความอยากง่ายๆก็พุโทโธไปก่อนก็ได้พอรู้สึกไม่สบายใจกับคําพูดของใครก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเอาหูทวนลมไปเอาอยู่กับพุทโธไปไม่สนใจกับเสียงที่เขาพูดเดี๋ยวเราอยู่กับพุทโธสักพักเราก็ลืมเรื่องที่เขาพูดแล้ะ พอลืมแล้วก็สบายใจคำ ถ, ถามจากคุณบรลุสติกับสัมปัญชยะแตกต่างกันอย่างไรครับสติมันแบบเกิดดับเกิดดับเลยแต่สัมปันชยะกิดมันต่อเนื่องสติที่ต่อเนื่องก็เรียกว่าเป็นสัมปันชยะคํญญาถ า, ถามจากคุณไข่ตุ๋ลูกนั่งปฏิบัติพอรู้สึกสงบเงียบๆพอจิตหยุดคิดไม่ฟุ้งซ่าน มักผงาดนิดๆเหมือนหลังจะหายเป็นไรหรือเปล่าคบคงซะบปรงกมั้งสติไม่มีกำลังพอจิตมันพอมันสบายมันก็จะเคลิม้มพอจิตจะสงบ ม, มันก็เคลิม้มสติก็หายไปร่างกายที่เคยตั้งอยู่ดีๆมันก็เลยอคำถามจากคุณพลสมมุติอยากไปเกิดชั้น ตุกมาหาต้องปฏิบัติเท่าไหร่ครับคือมันมันเป็นของที่ไม่ไม่เหมือนกับไปซื้อของที่ตลาดเราจะเอาชิ้นนั้นชิ้นนี้พูดได้ข้าวๆว่าถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ทำบุญเยอะๆแต่ต้องไม่ทำบาปด้วยรักษาสีหน้าแล้วก็ทำบุญถ้าทำบุญมากมันก็จะขึ้นไปมากขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าชั้น ชั้นเทพก็ต้องไปนั่งสมาธิถ้าทำบุญรักษาศีลเนี่ยก็จะไปแค่สวรรค์ชั้นเทพถ้าจะไปสวรรค์ชั้นพรหมนี่ต้องไปนั่งสมาธิได้ฌานขั้นต่างๆ ข, ขั้นที่หนึ่งก็ได้รูปประพร ม, มขั้นที่หนึ่งเป็นพรหมขั้นที่หนึ่งพรหมขั้นที่สองขั้นที่สามไปหมืแล้วค่ะเหมดนแล้วนะอยากอยากทาบว่าถ้าจิตดับแล้วพอเดินไปทางไหนคะจิตไม่ดับ ร่างกายดับจิตไม่ดับเราใช้ภาษาผิดกันจิตไม่มีวันดับไอ้ที่ดับคือร่างกายร่างกายไม่จิตมันก็ไปตามบุญตามบาปเนี่ยหรือตามตามความผูกพันถ้าห่วงลูกมากก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านก็ได้จะได้อยู่ใกล้ลูกหรือถ้ามีแมวมีหมาตั้งท้องอยู่ก็จะไปก็จะไปเกิดในในท้องหมาท้องแมวถ้ายังคิดถึงลูกห่วงลูกรักลูกอะไรองี้ แต่ถ้าไม่คิดถึงลูกมไม่ห่วงลูกก็ไปตามบุญตามบาปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ดึงไปสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ดึงไปอบายจนกว่าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พราะถ้าบุญเท่ากับบาปบุญจะดึงไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้บาปจะดึงไปอบายก็ดึงไปไม่ได้ก็ต้องมาเป็นมนุษย์มนุษย์นี้อยู่กลาง ระหว่างสวรรค์กับอบายถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องไปไปปฏิบัติไปบวชไปตัดความอยากตัดความโลภโกรธหลงพอไม่มีความอยากความโลภโกรธหลงก็จะไม่กลับมาเกิดก็จะไปนิพพานแทนได้มีคนเขาพูดว่าถ้าเกิดว่าจิตสุดท้ายเราสามารถละวางร่างกายของเราได้ได้ถ้า จ, จิต แต่จิตสุดท้ายถ้าทําอะไรได้ก็ดีกลัวมันจะทําไม่ได้สิถ้าจิตตอนนี้ยังทําไม่ได้จิตสุดท้ายจะทาได้ปะมันก็จิตอันเดียวกันไม่ใช่เลยเหมือนก้าตอนนี้ขับรถไม่ได้คิดว่าตอนตายจะขับรถได้เลยถ้าไม่หัดขับรถไว้ก่อนนี้ถ้าไม่หัดนั่งสมาธิก่อนเวลาตายจะไปนั่งสมาธิได้ปะแต่มไม่ได้หรอกคนมันชอบขี้เกียจมันคิดกันแบบนี้ไว้กูวันตายแล้วค่อยมามาทําจิตสุดท้ายให้ดี อนนี้ก็ดีเลยก่อนจะ เ, นนเวลาไม่ตายนี่ก็กินเหล้าเมายาฆ่ากันให้มันสนุกกันเลยพอถึงเวลาจะตายก็พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวอาจจะเอาแบบองคุลีมานมั้งแต่มีคนเดียวนะองคุลีมานนี่มีคนเดียวที่ทำแบบองคุลีมานได้แต่คนอื่นนี่ทำไม่ได้หรอกทำไม่ฝึกจิตเราถ้าอยู่ดีๆจะมาพลิกมันปั๊บเดียวมันพลิกไม่ได้หรอก เครเคยสูบบุหรีทุกวันพอ <S <s <word> <S พอพ อ, พอวันจะตายเลิกสูบุรีมันเลิกได้ Curiosity. มันไม่เลิกไม่ได้หรอกมันขนาดมีชีวิตอยู่ยังเลิกไม่ได้แล้วเวลาจะตายจะไปเลิกได้ไงนะฉั้นอยากจะทําให้จิตสุดท้ายเป็นอะไรต้องทําให้มันเป็นตั้งแต่แตวันนี้ถ้าอยากจะให้จิตมันเป็นนิพพานก็ต้องทำตั้งแ ต, แต่วันนี้ให้มันเป็นนิพพานได้ก่อนตายพอเวลาตายก็ทําให้มันเป็นนิพพานได้เลยถ้าอยากให้จิตเป็นสวรรค์ก็ทําให้มันเป็นสวรรค์ตั้งแต่ตอนนี้ พอเวลาตายก็ทําให้เป็นสวรรค์ได้แต่ถ้าเวลานี้เป็นนรกทําใจให้เป็นหมาเงเวลาตายมันจะไปทําให้เป็นเทวดามันเปดไปได้ไมันเป็นไปไม่ได้หรอกอคนชอบพูดเรื่องจิตสุดท้ายแสดงพวกขี้เกียจทั้งนั้นพวกขี้เกียจทําทานรักษาศีลภาวนาชอบเที่ยวชอบเล่นชอบกินชอบดื่มแล้วขอเวลาวันเวลาจิตสุดท้ายแล้วค่อยมาทําให้มันดี พูดอย่างนี้ก็ดีนะเราไม่ต้องมานั่งสอนให้เหนื่อยเราก็ไปนั่งรอจิตสุดท้ายตอนนี้สึกไปเที่ยวเลยให้มันสบายไม่ดีกว่าแล้วถึงาเาวลาจิตสุดท้ายก็มาทำเป็นพระขึ้นมอ กที่เรายืนยันความจริงไปก็โกหกก็โกหกเลยมันจะถามมันไม่โกหกเลยคือบอกว่ารับไปแล้วเือท่านสบายใจก็โกหกก็าสิใช่ค่ะก็อยู่ที่เราเราต้องการรักษาศีลเราต้องกาให้ท่านสบายใจเราจะทั้งสองอย่างไม่ได้ก็เลือกเอาเสียใจให้ท่านสบายใจเลือกเาจะเอาทั้งสองอย่างได้ไงใช่ไหมมัน มือนจะเอาสว่างกับมืดนี่มันจะพร้อมกันได้ไหมแล้วก็ยืนยันว่าเราไม่ได้รับก็บอก็ไปไม่ได้รับบอกให้พ่อไปแล้วคือได้รับแล้วแต่ทําบุญให้กับพ่อเปนใหม่พูดอย่างนี้เสร็จบอกหนูได้รับแล้วเงินที่พ่อให้หนูมาพี่น้องก็โรออกรธอะค่ะโกรธก็เรื่องของเขาอ่ะใช่ไหมเขาจะไปอบายเราไม่ไปกับเขาเนี่ยเขาก็โกรธสิเขาอยากจะให้เราไปอภัยเขาไม่ก็แ่า อาตมาอ่าสักหน่อยคําถามจากคุ่งสมชัยชาตินี้ถ้าไม่ได้มีบุญเป็นนักบวชควรจะทําบุญหรือปฏิบัติอย่างไรถ้าได้เกิดมาใหม่จะได้เป็นนักบวชที่ปฏิบัติชอบอย่างครับจางก็เป็นนักบวชเชื่อข่าวเนี่ยวันไหนว่างวันหยุดวันที่ไม่ต้องทํางานก็ไปอยู่วัดไปอยู่เป็นผ้าขาวถือศีลแปดไปฝึกจิตไปทําไป ในช่วงไหนถ้าบวชสั้นๆได้ก็บวชสั้นๆไปก่อนเช่นช่วงนี้เขามีบวชให้ในหลวงเขาก็บวชกันพวกนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นการซ้อมไปก่อนก่อนที่จะเป็นมืออาชีพก็ต้องเป็นมือสมัครเล่นก่อนแล้วทำไปก่อนพยายามบวชไปบ่อยๆถึงแม้จะบวชไม่ได้ตลอดก็ยังดีกว่าไม่ได้บวชเลยแล้วก็พอมีโอกาสก็บวชใหม่มีโอกาสก็บวชใหม่ แล้วต่อไปอาจจะบวชได้ยาวเลยก็ได้เอาอีกค่หนึงคำถามคาถามจากคุณแสงครับทิมทำอย่างไรให้นั่งสมาธิได้นานๆและเวลานั่งรู้สึกอึดอัดกับร่างกายครับว่าเราไม่มีสติไงพอนั่งกิเลสมันก็อยากจะลุกอยากจะทำนู่นทํานี่มันก็เลยอึดอัดแต่ถ้าเรามีสติกิเลสมันก็จะถูกกดเอาไว้มันก็จะไม่อึดอัดงั้นก็ต้องฝึก สร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือเนี่ยจะใช้พุโทโธไปก็ได้เราเลิกถึงพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดอะไรหรือถ้าจะใช้ร่างกายก็คอยเฝ้าดูกิจกรรมของร่างกายไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันจะมีสติพอเวลานั่งมันก็จะไม่อึดอัดมันก็จะสงบง่ายเอาแล้วนะหมดแล้นนะเอาแค่นี้ก่อนก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ